ต่อไปนี้จะยกข้อความในบาลีแห่งต่างๆมาแสดงตัวอย่างแห่งวิพัชวาทัในเสวิตาภพาเสวิตัภ พ, ส, พสูตรมัชฌิมนิกายอุปริปันนามีพุทธพ์ว่าสารีบุตรแม่รูปที่รู้ได้ด้วยตาเราก็กล่าวเป็นสองอย่างคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีคำที่ว่านี้ เรากล่าวโดยอาศัยเหตุผลอะไรเมื่อเสพรูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างใดอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหายรูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างนี้ไม่ควรเสพเมื่อเสพรูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างใดอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหายกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งขึ้นรูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างนี้ควรเสพ สารีบุตรแม้เสียงแม้กลิ่นแม้รสแม้สิ่งต้องกายแม้ธรรมที่รู้ได้ด้วยใจเราก็กล่าวเป็นสองอย่างคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีในสมถ a สูตรอังคุตรรนิกายตาสการนิบาทมีพุถุพ์ว่าภิกษุทั้งหลายแม้จีวร เราก็กล่าวเป็นสองอย่างคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีคําที่ว่าดังนี้เรากล่าวโดยอาศัยเหตุผลอะไรบรรดาจีวรเหล่านั้นหากพิสุทราบจีวรใดว่าเมื่อเราเสพจีวร น, นี้อกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายจะเสื่อมหายจีวร อ, อย่างนี้ไม่ควรเสพ บรรดาจีวรเหล่านั้นหากพิสุทราบจีวรใดว่าเมื่อเราเสพจีวร น, นี้อกุศลธรรมทั้งหลายจะเสื่อมหายกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญยิ่งขึ้นจีวร อ, อย่างนี้ควรเสพภิกษุทั้งหลายแม้บินทบาทแม้เสนาสนะแม้หมู่บ้านและชุมชนแม้ท้องถิ่นชนบทแม้บุคคลเราก็กล่าวเป็นสองอย่าง คือที่ควรเสพก็มีไม่ควรเสพก็มีในวนปัตสสุตมัชฌิมานิกายมูลปันนาตมีพุทธพ์ธว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิเนยนี้เข้าอยู่อาศัยแดนป่าแห่งใดแห่งหนึ่งเมื่อเธอเข้าอยู่อาศัยแดนป่านั้นสติที่ยังไม่กำกับอยู่ก็ไม่กำกับอยู่จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่น อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้นก็ไม่ถึงความหมดสิ้นไปภาวะจิตปลอดปโปร่งจากเครื่องผูกมัดอย่างสูงสุดที่ยังไม่ได้บรรลุเธอก็หาบรรลุไม่อีกทั้งสิ่งเกื้อหนุนชีวิตที่บัญญัติพึงเก็บรวบรวมได้คือจีวรบินทบาทเสนาสนะและเครื่องอยู่ยาทั้งหลายก็มีมาโดยยากภิกษุนั้นพิจารณาเห็นดังนี้จะเป็นกลางคืนก็ตาม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 แต่สิ่งเกื้อหนุนชีวิตมีมาโดยยากภิกษุนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นอนาคาริกมิใช่เพราะเห็นแก่จีวรมิใช่เพราะเห็นแก่บินทบาทมิใช่เพราะเห็นแก่เสนาสนะมิใช่เพราะเห็นแก่เครื่องยูกยาก็แต่ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยแดนป่านี้สติที่ยังไม่กำกับอยู่ก็กำกับอยู่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 อีกทั้งสิ่งเกื้อหนุนชีวิตก็มีมาโดยไม่ยากภิกษุนั้นพิจารณาเห็นดังนี้พึงอยู่ในป่านั้นแม้จนตลอดชีวิตไม่พึงหลีกไปในอภัยราชกุมารสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณ น, นาตอภัยราชกุมารทูล ถ, ถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญคำพูดซึ่งไม่เป็นเที่รักไม่เป็นที่พอใจของผู้อื่นพระองค์ตรัสหรือไม่ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่านี่แนะ่ราชกุมารในเรื่องนี้จะตอบลงไปข้างเดียวไม่ได้ต่อจากนั้นได้ทรงแยกแยะคำพูดที่ตรัสั้ะไม่ตรัสไว้มีใจความต่อไปนี้ 1. คําคำพูดที่ไม่จริงไม่ถูกต้องไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นพระองค์ไม่ตรัส 2. คํคำพูดที่จริงถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ชนนช uses, ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นพระองค์ไม่ตรัส 3. คํคำพูดที่จริงถูกต้องเป็นประโยชน์ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นพระองค์เลือกการคือเลือกเวลาตรัส 4. ี่คำพูดที่ไม่จริงไม่ถูกต้องไม่มีประโยชน์ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นพระองค์ไม่ตรัสห คำพูดที่จริงถูกต้องแต่ไม่เป็นประโยชน์ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นพระองค์ไม่ตรัส 6. คำพูดที่จริงถูกต้องเป็นประโยชน์เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นพระองค์เลือกการคือเลือกเวลาตรัสในสีลับปัสสูตรอังกุตรณนิกายติกานิบาตพระพุทธเจ้าตรัสถามท่านพระอนุว่ า, อ, านอนุ์ ศีพลพรศการบำเพ็ญข้อปฏิบัติยากลำบากพรหมจรรย์การบำเรอสิ่งบูชามีผลทั้งนั้นหรือพระอ น, นทูลตอบว่าพระองค์ผู้เจริญในข้อนี้จะตอบลงไปข้างเดียวไม่ได้พระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นจงจำแนกพระอนุนทูลว่าเมื่อเ ส, สพศีลพศ การบำเพ็ญข้อปฏิบัติยากลำบากพรหมจรรย์การบำเรอสิ่งบูชาอย่างใดอกุโสลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งขึ้นกุโสลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหายศีลพรตการบำเพ็ญข้อปฏิบัติยากลำบากพรหมจรรย์การบวงบำเรออย่างนี้ไม่มีผลเมื่อเสพศีลพรตการบำเพ็ญข้อปฏิบัติยากลำบากพรหมจรรย์ การบํำเบลสิ่งบูชาอย่างใดอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหายกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งขึ้นศีพลพรตการบําเพ็ญข้อปฏิบัติยากลําบากพรหมจรรย์การบํำเบลสิ่งบูชาอย่างนี้มีผลท่านพระ อ, อ น, นุนได้กราบทูลข้อความนี้แล้วพระบรมศาสดาทรงพอพระทยัยในวัชชียสูตรอังคุตรนิกาย ทศกัณฐ์นิบาศวัชยยมาหิตะกฤหาบดีได้เข้าไปยังอารามของอัญญาดิระถีปริพาชกได้สนทนาปราศัยกับปริพาชกเหล่านั้นปริพาชกได้ถามว่านี่แน่ท่านข้าบดีทราบว่าท่านพระสมณะโคดมทรงติเตียนตะบะหมดทุกอย่างทรงค่อนว่ากล่าวติผู้บำเพ็ญตบะผู้เป็นอยู่คล่ำๆทั้งหมดโดยส่วนเดียวใช่ไหม วชยมาหิตะตอบว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงติเตียนตบะหมดทุกอย่างก็หาไม่จะทรงค่อนว่ากล่าวติผู้บ่มเป็นตบะผู้เป็นอยู่คร่ำคร่ทั้งหมดโดยส่วนเดียวก็หาไม่ได้พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนตะบะที่ควรติเตียนทรงสรรเสริญตบะที่ควรสรรเสริญพระผู้มีพระภาคทรงเป็นวิพัตจวาที ทรงติเตียนสิ่งที่ควรติเตียนทรงสรนเสริญสิ่งที่ควรสรนเสริญในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคไม่ใช่เป็นเอกังสวาทีไม่ใช่เป็นผู้กล่าวส่วนเดียวต่อมาวัจียาหิตะฆาบดีได้ไปเฝ้าทูลความแด่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสอธิบายถึงตบา ท, ที่ควรบำเพ็ญและตะบา ท, ที่ไม่ควรบำเพ็ญเป็นต้นโดยหลักความเจริญและความเสื่อมแห่งกุศลและอกุศลธรรม คล้ายกับเรื่องก่อนๆในสุภสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิมปันนาตสุภะมานพบุตรของโตเทยพราหมณ์ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าท่านพระโคตมะผู้เจริญพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวว่าอย่างนี้ว่าคฤหัตเป็นผู้บำเพ็ญกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สําเร็จได้บรรพชิตหาใช่เป็นผู้บำเพ็ญกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สําเร็จได้ไหม ในเรื่องนี้ท่านพระโคตมะผู้เจริญกล่าวว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูกระมาโนปในเรื่องนี้เราเป็นวิพัชวาทะเราไม่ใช่เป็นเอกลางสวาถทะเราไม่สันเสริญการปฏิบัติผิดไม่ว่าของคฤหัสถ์หรือของบัญประชิตคฤหัสถ์ก็ตามบัญประชิตก็ตามปฏิบัติผิดแล้วเพราะการปฏิบัติผิดเป็นเหตุ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 พรามทั้งหลายกล่าวว่าอย่างนี้ว่าการงานฝ่ายคราวญานี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นกิจใหญ่มีเรื่องราวมาก。มีการระดมแรงมากจึงมีผลมากการงานฝ่ายบรรพชานี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นกิจน้อยมีเรื่องราวน้อยมีการระดมแรงน้อยจึงมีผลน้อยในเรื่องนี้ท่านพระโขรรมกล่าวว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าตอบว่าดูกะมานก แม้ในเรื่องนี้เราก็เป็นวิพัฒน์วาทะเราไม่ใช่เอเเกังสวาทะการงานที่เป็นเรื่องใหญ่เป็นกิจใหญ่มีเรื่องราวมากมีการระดมแรงมากเมื่อไม่สำเร็จเป็นสิ่งมีผลน้อยก็มีการงานที่เป็นเรื่องใหญ่เป็นกิจใหญ่มีเรื่องราวมากมีการระดมแรงมากเมืม่อสำเร็จเป็นสิ่งที่มีผลมากก็มี การงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นกิจน้อยมีเรื่องราวน้อยมีการระดมแรงน้อยเมื่อไม่สำเร็จเป็นสิ่งมีผลน้อยก็มีการงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นกิจน้อยมีเรื่องราวน้อยมีการระดมแรงน้อยเมื่อสำเร็จเป็นสิ่งมีผลมากก็มีต่อจากนี้ทรงอธิบายและยกตัวอย่างการงานสีแบบนั้น การงานฝ่ายฆราวาสเท่ากับฆราวาสกรรมฐานก็คือการงานอาชีพต่างๆเช่นทำไร่ไถนาการงานฝ่ายบรรพชาเท่ากับบรรพชากกรรมฐานก็คือกิจของผู้บวช